บุ๊กทูสามสิบเก้ o t h i n รถเสีย a u t o m o b i l s k a Okvara ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ Kierę na b l i z i e j a k a ยางรถของดิฉันแบนค่ะอิมัมปราสนูกูโมเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะลักโคซาเมียเโตตุคโคลูดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะปุตรบุยมพาร์ลิตรู้ดีเซลสกึกระโกรีวาดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ คุณมีกาลอนน้ำมันไหมคะอลิอ o มาเทโพโซโ e เจริเซอฉันจะโทรสารได้ที่ไหนคะที่คทฟเนียฉันต้องการรถลากค่ะ ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะเกิดอุบัติเหตุตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะคุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ ม te เซบมอเบลนรเราต้องการความช่วยเหลือค่ะพอเบูยมพอมชตามหมอให้ทีค่ะคสเดอเ่ะเรียกตำรวจให้ทีค่ะปคลีชิตัสตำรวจ ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะดอกขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะวอซนิชโกโดวิเยนยโปรซิมขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะพรอมิด o น o ดนเยโปรซ